บทอาลอิมรอนเป็นบทมาดานียะมีสองร้อยองค์การสาเหตุที่เรียกบทนี้ว่าอาลอิมรอนก็เพราะว่าในบทได้กล่าวถึ้งเรื่องราวของครอบครัวที่มีเกียรติครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของอิมรอนซึ่งเป็นวิดาของมารยมเป็นแม่ของนบีอีสาอลอะไลสละเรื่องราวของครอบครัวนี้อัลลอฮ์ได้ทรงให้เห็นเดชานุภาพของพระองค์ โดยการให้มารยมที่เป็นหญิงที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยมีชายใดต้องตัวได้คลอดลูกออกมาคือนบีอีชาอะไลสละบทอาลไิม์รนี้ได้ประมวลไว้ด้วยองค์ประกอบสําคัญสําคัญสองประการด้วยกันกล่าวคือหลักอะกีดะพร้อมด้วยหลักฐานและเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่ามีอัลลอฮ์ผู้สร ง, งสูงส่งเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นบัญเด็ดต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการทำสงคราม และการต่อสู้ในทางของวะสำหรับองค์ประกอบที่หนึ่งนั้นได้มีองค์การเพื่อมายืนยันการเป็นเอกภาพของพระองค์การเป็นนบีของนบีมูฮัมมัดสัจธรรมของอัลกุรอานและโต้อตอบข้อโต้แย้งของชาวคำภีร์ที่มีต่อาศาสนา伊斯兰ต่อคำพีอัลกุรอานตลอดจนเรื่องของนบีมูฮัมมัดสลลลเวลา伊斯兰 แต่ที่ทราบเป็นดีแล้วว่าบทอลัลบากร์ได้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชาวยิวเป็นส่วนใหญ่แต่บทอาลอิมรอนได้พูดถึงเรื่องราวของชาวนาซอรอรหรือชาว ค, คริสเตียนซึ่งได้มาโต้แย้งกับท่านนาบีมฮัมมัดสุสลลัลเวรสัลลัมเกี่ยวกับนบีอีสาห์โดยพวกเขากล่าวว่าเป็นพระเจ้าบ้างเป็นบุตรของพระเจ้าบ้างและไม่ยอมรับสาระที่ท่านนาบีได้นามา ซึ่งในเรื่องต่างๆอันกุรานได้โต้ตอบด้วยหลักฐานที่เด็ดขาดมีรายละเอียดมากมายมีเนื้อหาสาระในเรื่องนี้เกือบครึ่งบทอีกทั้งยังได้แจ้งให้ทราบและให้ระมัดระวังเล่ห์กลของชาวยิวให้ชาวมสุสลิมทราบอีกด้วยส่วนองค์ประกอบที่สองเกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆในบทนี้ได้พูดถึงบัญญัติเกี่ยวกับพิธีหัจจ์และการต่อสู้ในคำถามขอระเรื่องที่เกี่ยวกับดอกเบี้ย ข้อ c ี i ขาดเกี่ยวกับผู้ไม่ยอมจ่ายอากาศเรื่องราวที่เกี่ยวกับสงครามบาดัตและสงครามอุหุตบริเวณที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายได้รับจากการทำสงครามต่างๆโดยเฉพาะจากสงครามทั้งสองครั้งครั้งแรกได้รับชัยชนะจากสงครามบาดัตและก็พ่ายแพ้ในสงครามอุหุตในครั้งที่สองอันเนื่องมาจากย่อนอยานกับคำสั่งของท่านรอดู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 และค้ดัลอิน uh al al uh um าสมแลอันลฟุกกาล์นนันีาิดวยอันาองพระจระาทรงบัลลัตหะเารีระบัญิให้ะาทรีบิให้ามีะติให้พระเาทรงีะัญญ้ะาทรงมีะดัญัติใะามีติให้รามีัให้ะเทงมีพบหระเ้าทรระไดใ้ประเาท อ, องมีรัหระเรมะ้ระาดัว้วรม แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การขอัลลอ์นั้นพวกเขาจะรับโทษอันุนแรงและอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงตอบโต้การลงโทษที่ดียิ่งอินนัลลอฮ์ลายาฟะะเลยฮิเชยอมฟิลอรดิวลาติสสมาถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นไม่มีสิ่งใดในแผ่นดินและฟ้ากวา ที่จะซ่อนเร็นพระองค์ไปด้าหวัลลดีย ص วิรคมฟิลอร์ฮามไค่ไฟช้าลาอิลาหอิลล้าหวัลอดีดุลฮะคีมปรงคือผู้ทรงให้เราเป็นรูปร่างขึ้นในมดรูปตามที่ปรงทรงประสงค์ไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสการะใดๆนอกจากพรงเท่านั้น هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ ه ُ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهِ فيتبعون ما تشابه منه ا ن ت غ ا ء الفتنة وانتقاء ت و ي ل ه وما يعلم ت أ ِ ي ل ه إلا الله و ا ل ض ا ُ و ن في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا โปรงคือผู้สรงประธานคำภีลงมาให้เจ้าโดยที่ส่วนหนึ่งนั้นมีบรรดาองค์การที่มีข้อความรักคุมมชัดเจนซึ่งองค์การเหล่านั้นคือรากฐานของคำภีและมีองค์การอื่นๆ อ, อ, อีกที่มีข้อความเป็นระยะส่วนบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขาเองเอียงออกจากความจริงนั้น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 โอ้พระผู้บานของพวกเราแท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ชุมนุมมนุษย์ทั้งหลายในวันหนึง่งซึ่งไม่มีการสงสัยใดๆในวันนั้นแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงผิดสัญญาอินนัลลดีนักฟาลุลันทุ่งีอุมอมวะลุมวะลาอาลาดุมมินัลลอฮิเชีย แค่จิงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธสัพทานั้นทรัพ ส, สมบัติของเขาและลูกๆของพวกเขานั้นจะไม่ทำให้พวกเขาพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้เลยและชนเหล่านี้แหละคือเชื้อเพลิงแห่งไฟนรก เช่นเดียวกับสภาพความเคยชินของวงวาดอิสราเอลและบรรดาคนรุ่นก่อนจากพวกเขาซึ่งพวกเขาได้ปฏิเสธบรรดาองค์การของเราแล้วลอก็ได้สรงลงโทษพวกเขาเพราะความผิดของพวกเขาเอง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 และเป็นที่พำนักอเลวร้ายَ ا ่ง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 الز أنعام ال ได้ถูกทำให้ลุ่มหลงแก่มนุษย์ซึ่งความรักในบรรดาสิ่งที่มีสเสน่ห์อันได้แก่สตรีและลูกชาย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 لَلَذِينَ ّ التَّقَوِّوا دَرَبِهِمْ ّ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ م ُ ح م د ٌ ج ُ ن ْ ل َ ا ل ْ و د َ ا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 แล้วล้อนั้นทรงเห็นบาปทั้งหลาย نا نا ف ف คือบรรดาผู้ที่กล่าวว่าโอ้พระผู้อายพรของเราแทาจ้จริงเราได้ศรัทธากันแล้วดังนั้นโปรดทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราเลือเถอิดซึ่งบรรดาความผิดของพวกเรา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 และบรรดาผู้ที่ขออภัยะโทษในอย่างไกล شهيد الله أنه لا إ ل ล إلا ه ล و ا ل م ل ا ئ ك น وأول العلم ق อ ئ م ا ب ا ل ق ล ة لا ล ل ه إلا هو والعزيز ทงดืนยันว่าแท้จิง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 َمَختَلَفَ اللَّذِينَ الْكِتَابَ إِلَّا بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ مِنْ أُوتُوا بِآيَاتِ الْعِلْمُ اللَّهِ فَإِنَّ وَمَنْ يَكْفُرْ س แท็กิِศาสนาที่อัลลอห์นั้นคือศาสนาอิสลามและบรรดาผู้ที่รับคำภี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 และผู้ที่ปฏิบัติตามฉันก็มอบด้วยและเจ้าจงกล่าวแก่บรรดาผู้ที่รับคำภีและบรรดาผู้ที่อ่านเขียนไม่เป็นว่าพวกเจ้ามอบตัวต่ออัลลอฮ์แล้วอถ้าหากพวกเขาได้มอบแล้วแน่นอนพวกเขาก็ได้รับแนวทางถูกต้องและถ้าหากพวกเขาผินหลังให้แทาจริงหน้าที่ของเจ้านั้นเพียงประกาศที่พวกเขาทราบเท่านั้น لا لننسون بنبوهن إن الذين يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين بغير ح ق ي ّ ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشرهم بعداب الأليم.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 ألم ترى إلى الذين أوتوا نصذا من الكتاب يدعون إلى ال كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون มุฮัมมัดไม่ได้มองดูบรรดาผู้ได้รับส่วนหนึ่งจากคำพีดอกรืโดยที่พวกเขาถูกเชิญชวนไปสู่คำพีของอัลละ์ เพื่อคำพินั้นจะได้ตัดสินระหว่าดพวกเขาแล้วกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาก็ผลิหลังให้โดยพวกเขาก็กำลังผลนหลังให้นั่นก็เพราะพวกเขากล่าวว่า ไปนรกนั้นจะไม่แตกต้องพวกเราเลยนอกจากบรรดาวันที่ถูกนับไว้และสิ่งที่พวกเขากุกขึ้นมาในาศาสนาของพวกเขานั้นได้หลอกลวงพวกเขาให้หลงชื่อและจะเป็นอย่างไรเล่า เมื่อเราได้ชุมนุมพวกเขาไว้สำหรับวันหนึง่งซึ่งในวันนั้นไม่มีการสงสัยใดๆแต่ลชีวิตจะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนในสิ่งที่ชีวิตนั้นๆได้ขนขวายไว้โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมเลย <S <S <S <S วจงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าองค์ผู้ทรงอวิสิตแห่งอำนาจทั้งปวงพระองค์นั้นจะทรงประทานอำนาจแก่ผู้ที่โร่งสรงประสงค์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 และทรงให้ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่ พ, พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศจากการคิดคำนวณ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 และอ yup. ัลท่งเตือนพวกเจ้าให้ยำเกรงพระองค์และยังอโลนั้นคือการกลับไปจงกล่าวเถอมูฮัมมัด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 แต่แชีวิตนั้นชอบหากว่าระหว่างตนกับความชั่วนั้นจะมีระยะทางที่ ห, าห่างไกลและอัลลอ์นั้นทรงเตือนพวกเจ้าให้ยำเกรงพระองค์และอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงปรานีต่อปวงบัอ๋กคน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 จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอสูญถึงแต่ถ้าหากพวกเจ้าผินหลังให้แท้จริงอัลลอ์นั้นไม่ทรงชอบผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย แท้จริงอัลลอฮ์ได้สรงคัดเลือกอาดัมและนัวและวงวานของอิบราฮีมและวงวานของอิมรอนให้เหนือกว่าประชาชาติทั้งหลาย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 แท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้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 ُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا الْمِحْرَابَ قَالَ لَكِ قَالَتْ اللَّهِ مَرْيَمُ مِنْ مَنْ عِنْدَهَا رِزْقًا يَا أَنَّا وَجَدَ عِنْدِ زَكَرِيَّ هَذَا هُوَ بِغَيْرِ يَرْزُقُ يَشَاءُ แล้วพระผู้ทรงอภิบาลของนางก็ทรงรับมรยังไว้อย่างดี และทรงให้นางเจริญวัยอย่างดีด้วยและได้ทรงให้รักกิยาอุปการะนางคราใดาที่รักกิยาเข้าไปหานางที่อัลเมียร์รอหเขาก็พบปัจจัยอย่างชีบอยู่ที่นา่เขากล่าวว่าโอ้พระเจเธอได้สิ่งนี้มาอย่างไรนางก็กล่าวว่ามันมาจากอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงประทานปัจจัยอย่างชีบแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์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 ซึ่งบุตรที่ดีคนหนึ่งจากที่พระองค์ท่านแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผูน้ทรงได้ยินคำวยวอนแลาจับบัญญัตองพะเจ้า่จห้เจ้ารับบัญญัติของพระเจ้าที่จะให้เจ้ารับบัญญัติ้าทับบัญญิระบบัญญาที่ัิับิติ้าััาหัรา มุ ص ดิกันบิคลิมทินมินัลล้ายวะสัยดวะหัสูรวะวะนบีมมินัลสาหิธีนและมาละกาได้เรียกเขาขณะที่กำลังยืนละมาดอยู่อยู่ในอันเมีอลัลวะว่าที่จริงอัลวะนั้นทรงแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยยายาโดยที่จะเป็นผู้ยืนจารย์ดำรักหนึ่งจา้าอัลวะ และจะเป็นผู้นำและผู้รักษาความบริสุทธิ์และเป็นศาสด า, าท่านหนึ่งจากหมู่ชนที่เป็นคนดีขารบรเปนเาะลกยานรบระคละาเานัรอข้าพเจาะเระองคาพะับะอ้าพะรชะขาพเาบองาพา้ัพระพาานขนผู้บองานัองน ฉันจะมีบุตรได้อย่างไรโดยที่ความชราภาพได้ประสบกับฉันแล้วและพัญญาของฉันก็เป็นหมันด้วยพระองค์ตรัสว่ากระนั้นก็ตามอัลลอฮ์จะทรงกระทําตามที่พระองค์ทรงประสงค์าลรับบีเัลลีอายะทาลอายะทุกเลลาตุกัลลิมันนลาทัยยามิอิลลารุมซา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 และจงรำลึกถึงพระวิบาลของเจ้าให้มากๆและจงกล่าวให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ทั้งในยามเย็นและยามเช้ า, ชาและจงรำลึกขณะที่มาลายก้ากล่าวว่าโอ้มรยา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 ร่วมกับบรรดาผู้รักลัวทั้งหลายนั่นคือส่วนหนึ่งจากบรรดาข่าวในเรื่องสิ่งรึนลับซึ่งเราได้ชี้แจง ให้เจ้าทราบและเจ้าไม่ได้อยู่หน้าที่พวกเขาขณะที่พวกเขาโยนเครื่องเสียงทายของพวกเขาเพื่อทราบว่าใครในบูพวกเขาจะได้อุปการะมารยำและเจ้าไม่ได้อยู่หน้าที่พวกเขาขณะที่เขาโตเถียงกัน إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله َ يبشرك َُُّ بكلمة ٍََِ من ِ هسمه ا ُ المسيح عيسى بن ُ مريم ََ وجهها َ و ج ه ً ا في الدنيا ْ والآخرة ِ ومن َِ المقربين. จ <تصفيق> ن ْำเล็งถึงขณะที่มาَลกากล่าวว่าโอมรย์ แท้จริงอลัลลอส์ทรงแจ้งข่าวดีแก่เธอซึ่งดำรัสหนึ่งจากพรุ่งชื่อของเขาคืออัลมาซีอีซาบุตรของมารยัดโดยที่เขาจะเป็นผู้มีเกียรติในโลกนี้และประโลกและจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิดและเขาจะพูดกับผู้คนในขณะที่เขานอนอยู่ในบอกและในวัยกลางคน และจะอยู่ในมู่ขดีอรบอันนลวลละม่ไดสิชั่วร้กนันพก็างองคอรไดอินใจย่างล้วก็จดังีคนางกล่าวว่าโอ้พระผู้บานของฉัน ฉันจะมีบุตรได้อย่างไรทั้งๆ ท, ที่ไม่มีชายใดแต่ต้องตัวฉันพระองค์ตรัสว่ากระนั้นก็ตามอาลัลลอฮ์จะทรงบังเกิดสิ่งที่พระองค์ทรงประสรงค์เมื่อพระองค์ชี้ขาดงานใดแล้วพระองค์ก็เพียงประกาศเสร็สิ่งนั้นว่าจงเป็นขึ้นเถิดแล้วมันก็จะเป็นขึ้นอัััลลลยิมามาวววสเรนจ พระอก็จะทรงสอนเขาซึ่งการเขียนและความรู้อันถูกต้องและสอนคำพีเตรอร์และคำพีอินยินออลลบนนรกกฟ และเขาเป็นทูตไปยังวงวันอิสราเอลโดยที่เขาจะกล่าวว่า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 และฉันจะเป็นผู้มายืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของฉันอันได้แก่คำภีตารอดและเพื่อที่ฉันจะได้อนุมัติแก่พวกเจ้าซึ่งบางสิ่งที่ถูกห้ามแก่พวกเจ้าและฉันได้นำสัญญาณหนึ่งมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้ามาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นพึงยำเกรงลรอเถอ และจงเชื่อฟังฉันแท้จริงแล้วนั้นคือพระผู้ยิบานฉันและพระผู้ยิบานของพวกเจ้าดังนั้นจงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิดนี่แหละ คือัท่านอันกุฟ่ากลรงอัลลอฮ์กล่า ح و ا ر ي و ن نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون ขเมื่ออีซารู้สึกว่ามีการปฏิเสธศรัทธาเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเขา จึงได้กล่าวว่าใครบ้างจะเป็นผู้ช่วยเหลือฉันไปสู่อัลลอ์บรรดาสาวกที่บริสุทธิ์ใจกล่าวว่าพวกเราคือผู้ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอ์พวกเราศรัทธาต่ออัลลอ์แล้วและท่านจงเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงพวกเรานั้นคือผู้นอบน้ อ, บบนอมันนาบิ าาโอ้พระผู้บปนของเราเราได้ศรัทธาแล้วต่อสิ่งที่พระองค์ประทานลงมาและพวกเราได้ปฏิบัติตามาศาสนาทูตแล้วโปรดทรงบันทึกพวกเราให้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่กล่าวปฏิญาณยืนยันทั้งหลายด้วยเถิดอ้าของระระองครรร้ และพวกเขาได้วางแผนและอัลลอฮ์ก็ทรงวางแผนด้วยและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้วางแผนที่ดีเยี่ยมอออออกลี ي ى, ีมด وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلَيَّ م َ ر ْ ج ِ ع ُ ك ُ م ْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا ك ُ ن ت ُ م ْ فِيهِ ت َ خ ْ ت َ ل ِ ف ُ و ن َ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 ทีดังกล่าวนั่นแหละเราอ่านมันให้เจ้าฟังอันได้แก่องค์การต่งตางๆและคำเตือนให้ํำลึกที่รัฐกุ่มชัดเจนอินนัละอิซาอิดัลลอฮิลอ แท้จริงอุปมาของอีซาดังอุปมาใของอาดัมพระองค์ทรงบังเกิดเขาจากดิบและได้ทรงประกาศสิทธิแก่เขาว่าจงเป็นขึ้นเถิดแล้วเขาก็เป็นขึ้น ความจริงนั้นมาจากพระผู้เปบานของเจ้าแังนั้นเจ้าอย่าเป็นคนหนึ่งในมู่ผู้ที่สงสัยเป็นอันขาดและนั่น Hajjatihi من, من بعد ما جاءك من العلم خَقُل فقلتَ عَلَوُ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ و َ ن ِ س َ ن ا و َِ س َ ك ُ م و َ أ َ ن ف ُ س َ ن َ ا و َ أ َ ن ف ُ س َ ك ُ م ْ ثُمَّ ن َ ب ْ ت َ ه ِ ل ثُمَّ ن ب ْ ت َ ه ِ ف َ ن َ ج ع َ ل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَادِبِينَ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 โดยที่เราจะขอให้การสาบแช่งของอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดาผู้ที่พูดโกหกอินนลลอฮฺและลักซัตุลฮักตะวะม่มีอิลาฮินอิลลัลลอฮะอินนัลลอฮฺละลักซิซุลฮักตมถ้าจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสการะใดๆนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น และแท้จริงอัลลอ์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายาแล้วหาพวกเขาผิ้นหลังให้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รู้ดี قول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا و و uh ammad, จงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมพีทั้งหลายจงมายังถ้อยคำหนึ่งซึ่งเท่าเทียมกันระหว่างเราและพวกเจ้า คือว่าเราจะไม่เคารพสการะนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและเราจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาธีกับโราและพวกเราบางคนก็จะไม่ยึดถืออีกบางคนเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์แล้วหากพวกเขาผินหลังให้ก็จงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงพวกเราเป็นผู้นอบน้ อ, ตอ AH. นมต่ออัลลอฮ์ โอชาวคำพีทั้งหลายเพราะเห็นใดเล่าพวกเจ้าจึงโตเถียงกันในเรื่องของอิบราฮิมและคำภีเตอร์ร และอินยีลไม่ได้ถูกประทานลงมานมอกจากภายหลังจากเขาแล้วพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ والله يعلم وأنتم ل อ تعلمون พวกเจ้านีแหละได้โต้เถียงกันในสิ่งที่พวกเจ้ามีความรู้ในสิ่งนั้นแล้วแล้วก็เหตุจไหนแล้วพวกเจ้าจึงโต้เถียงกันในสิ่งที่พวกเจ้าไม่มีความรู้แล้วล้อนั้นทรงรู้แต่พวกเจ้าไม่รู้ อิบราฮิไม่เคยเป็นยิวและไม่เคยเป็นคริสต์แต่ถ้าว่าเขานั้นเป็นผู้หันออกจากความเพศสู่ความจริง เป็นผู้นอบน้อมต่อหลอแล้วลเขาก็ไม่เคย อ, อยู่ในหมู่ผู้ตั้งพาขีต่อหลออินเอาลันนัสบีอิบราฮิมละทีนัสเถื่หัวและนบีและทีนอัมโนวะลลาฮวลิยุลมุ ม, อมอิ น, น, นแทจิคนที่สมควรยิ่งต่ออิบราฮิมนั้นย่อมได้แก่บรรดาที่ปฏิบัติ ต, ตามเขา และปฏิบัติตามนาบีนี้และบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยและอัลลอ์นั้นผู้ทรงคุ้มครองผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายกลุ่มหนึ่งจากผู้ที่รับคำพีนั้นชอบ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 ทั้งทงที่พวกเจ้าก็เป็นพยานยืนยันอยู่โอ้ชาวคำพีทั้งหลายเหตุใดพวกเจ้าจึงปะปนความจริงไว้ด้วยความเท็ดและปกปิดความจริง ทั้งๆที่พวกเจ้าก็รู้อยู่และกลุ่มหนึ่งจากบรรดาชาวคัมภีร์กล่าวว่าพวกเจ้าจงศัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแกบ่บรรดาผู้สัทธา ในตอนเริ่มแรกของกลางวันแล้ว <therm> ก <os> ็จงปฏิเสธศรัทธาในตอนสุดท้ายของมันเพื่อว่าพวกเขาจะได้กลับใจวะลาจุมินูอิลลาลิมัน تَبِعَ دِينَكُمْ ุลอินนัล ا ْุาُุดัลล د َ ى اللَّهِ أ َ ي ح د ٌ مِثْلَ َู ا ت م ْ أَوْ ي ُ ح َ ا S <S และพวกเจ้าจงยาเชื่อนอกจากแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามาศาสนาของพวกเจ้าเท่านั้นมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวเถิดว่าแท้จริงคำแนะนำที่ถูกต้องนั้นคือคำแนะนำของอัลลอฮ์เท่านั้น จงอย่าเชื่อว่าจะมีผู้ใดได้รับเยี่ยงที่พวกเจ้าได้รับหรืออย่าเชื่อว่าเขาเหล่านั้นจะโต้แย้งพวกเจ้าณพระผู้บานของพวกเจ้าเลยเมื่อมาเจ้าจงกล่าวเถิดว่าถ้าจริงความโปรดปรานนั้นอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของอรรถซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอละนั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู พระองค์จะทรงเจาะจงความเมตตาของพระองค์แก่ผู้ท hm ี่พระองค์ <t <t ่งประสงค์และลอร์นั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ و َ م ِ ن ْ ه ُ م م َ ن ْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَا ر ِ ل َّ ا يُؤَذِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ لَا ج َ ا ك بَنْدَعَ شَاوْ كَمْفِينَ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 และพวกเขากล่าวความเพ็ดให้แก่อัลลอ์ทั้งๆ ท, ท, ที่พวกเขารู้ดีอม่มใช่เช่นนั้นดอกผู้ใดที่รักษาสัญญาของเขาอย่างครบถ้วนและยำเกรงอัลลอฮ์แล้วแท้จริงอ AH ัลลอฮ์ทรงชอบผู้ที่ยำเกรงทั้งหลาย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 ถ้าจึงบรรดาผู้ที่นำสัญญาของอลัลลอฮฺและการสาบานของพวกเขาไปขายด้วยราคาเล็กน้อยนั้นชนเหล่านี้แหละไม่มีส่วนได้ใดๆแก่พวกเขาในปลัลลอและอลัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงพูดแก่พวกเขาและจะไม่ทรงมองดูพวกเขาในวันปรโลกและจะไม่ทําให้พวกเขาพ้นมนตถิ่นด้วยและพวกเขาจะได้รับ و َ إ ِ ن م ِ ن ه ُ م ل َ ف َ ر ي ق َ ي و ن َ أ ل س ِ ن َ ت َ ه ُ م ب ِ ا ل ك ِ ت ا ب ِ ل ت ح س ب ُ و ه ُ مِنَ ا ل ك ت ا ب ت َ ح س ب ُ و ه م ِ ن ا ل ك ت ا ب ِ وَمَا ه ُ و مِنَ ا ل ك ت ا ب و َ ي ق و ل ُ و ن َ ه ُ و م ِ ن ع ن د ِ ا ل ل ه ِ وَمَا ه ُ و م ِ ن ع ن د ِ ا ل ل ه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 โดยที่พวกเขากล่าวความเท็้ให้แกลอล ท, ท, ทั้งๆที่พวกเขาก็รู้กันดี <mas S 3> <m> ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ما เคยปรากฏแก่บุคคลใดที่อัลลาะทรงประทาน ค, คําพีและข้อตัดสินและการเป็นนาบีแก่เขาแล้วเขากล่าวแก่ผู้คนว่าพวกเจ้าจงเป็นบ่าวของฉันอื่นจากอัลลาะหากแต่เขาจะกล่าวว่าพวกเจ้าจงเป็นผู้ ที่ผูกพันกับพระเจ้าเถิดเนื่องจากการที่พวกเจ้าเคยสอนคำภีและเคยศึกษาคำภีมาก่อนและเขาจะไม่ใช้พวกเจ้าให้ยึดเอามาไลาก์ก และบรรดาณนาบีเป็นพระเจ้าเขาจะใช้พวกเจ้าปฏิเศษสัทธาหลังจากที่พวกเจ้าเป็นผู้นอบน้อมต่อล่อแล้วกระนั้นดื้อวะอิดอักดัลล้าุมีศาค ا น ن บีนลมาอาไทตุคมมินคิตาบินวะหิคมะ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن ا ل ن ب ِ ولا تنصرنه قال أقرتم وأخذتم على ذلك م إصري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين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 ชนเหล่านี้แหละคือพูดละเมิออมดอื่นจากศาววสน า, าของอัลลอกระนันน้นหรือที่พวกเขาแสวงหาและแดบพรงนั้นผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดินได้นอบน้อมกันทั้งด้วยการสมัครใจและฝืนใจและอย่างพระองนั้นพวกเขาจะถูกนํากลับไปอุลอะมันนาบิลลาฮวะมาอันซิละลัยนาวะมาอันซิละลาอิบรอฮีมวะอิสมาอิล وما أنزل على إبراهيم و إ س م а ي ل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. มูฮัมหมัดเจ้าจงกล่าวเถิดว่าเราได้ศรัทธาต่อรอแล้วและได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานแก่เราและสิ่งที่ถูกประทานแก่อิบราฮิมอิสมาอินและอิสฮะและยะกูและบรรดาผู้ที่สืบเชื้อสายจากยะกูและศรัทธาในสิ่งที่มูซาและอีสซาและนบีทั้งหลายได้รับจากพระผู้เป็น王ของพวกเขาโดยที่เราจะไม่แยกระหว่างคนหนึ่งคนใด ในหมู่พวกเขาและพวกเรานั้นเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์และผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากอิสลามแล้วศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขา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 หลังจากที่พวกเขาได้สัทาแล้วและยังยืนยันงด้ว่าแท้จริงรอซูน์นั้นเป็นความจริงและได้มีหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้มมายัางพวกเขาด้วยและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่อาถา ชนเหลา่านี้แหละการตอบแทนแก่พวกเขาคือการสาบแช่งจากอโลจากมาลายกา และจากมนุษย์ทั้งหมด น, นั้นจะตกอยู่แก่พวกเข า, ขาด ف ف โดยที่พวกเขาจะอยู่ในการสาปแช่งนั้นตลอดกาลโดยที่การลงโทษนั้นจะไม่ถูกผ่อนปรนแก่พวกเขา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 จะไม่ถูกรับเป็นอนุ้รรและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่หลงทาง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 อิลลาม حرم إ س ر ع ل ن من قبل ن ت ز ل ا ل ل ت أتوب ا ل ت و ر ا ف ت ل و أ ه ان ت ت ن ن أن ا إن كنتم ص ا د ق อาหารทุกชนิดนันเคยเป็นที่อนุมัติแก่วงวานอิสรโยินมาแล้ว นอกจากการที่วงวานอิสรินนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่ตัวของเขาเองก่อนจากที่คำพีเตารอถจะถูกประทานลงมามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงนำเอาคำพีเตารอถมาแล้วจงอ่านมันดูหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง และบุ้ดที่อุปโลกความเท็จให้แก่ลอหลังจากนั้นชนเหล่านี้แหละคือผูอ้อบรรน มุ hammad จงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นตรัสจริงแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามแนวทางของอิบราฮิมผู้หันออกจากความเท็จสู่ความจริงเถิดและเขาไม่เคยเป็นผู้ตั้งพาธีต่ออัลลอฮ์อินนอวลาเบียตูดอยรินัสละลลิบิบัลค์ตมุบาร์โควะฮุดลลิลกาลีมีน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 ในบ้านหลังนั้นมีหลายสัญญาณที่ชัดแจ้งคือมะกออมอิบราฮีมและผู้ใดได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็จะเป็นผู้ปลอดภัยและเป็นสิทธิของอัลลอ ที่มีแก่มนุษย์นั้นคือการประกอบพิธีฮัจ์ที่บ้านหลังนั้นอันได้แก่ผู้ที่สามารถเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาแท้จริงอัอ น, นั้นไม่ทรงพึงประชาชาตลาอลกิาบลมตทัฟรุนอยติลาฮิวะลชฮดุมาต้งมลูนมุฮัมมัด จงกล่าวกับว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิเสธศรัทาต่อบรรดาองการของอัลเและอัลเลาะหนั้นจะทรงเป็นพยานยืนยันในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกุลยาอัห์ลัลกิตาบิลิมะตัดดูนอันซะบีลิลลาฮิมันอามัน ล م ม ت ต صدون عن سبيل الله من آمن تدعونهاي وجو وأن تمشهداء وما الله بغافل ل ن ع م ما تعملون มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคำทีทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงขัดขวางผู้ศรัทธาจากทางของอัลลอฮฺ โดยที่พวกเจ้าปรารถนาใ้ทางของพระองค์คดเคี้ยวทั้งๆ ท, ที่พวกเจ้าก็เป็นพยานยืนยันอยีและรอนั้นม่ใช่เป็นผู้ทรงหลงลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ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 และอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาทั้งๆที่พวกเจ้านั้นมีบรรดาโองค์การขอลอดถูกอ่านแก่พวกเจ้า และยังมีรอซูลของพระองค์อยู่ในหมู่ของพวกเจ้าเลยและพวกได้ยึดมั่นต่ออัลลอ์แน่นอนเขาย่อมได้รับคำแนะนำไปสู่บนทางอันเที่ยนตรงผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงยำเกรงอลัลลอฮ์อย่างแท้จริงเถิดและพวกเจ้าจงอย่าตายเกินอันขานอกจากในฐานะผู้เป็นมุสลิมเท่านั้น ت ت และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกขอรอดโดยพร้อมเพรียงกันและจงอย่าแตกแยกกัน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 ูบบาบมมุตะวันซึ่งบรรดาใบหน้าจะขาวผ่องและวันซึ่งใบหน้าจะดำคล้าส่วนบรรดาผู้ติใบหน้าของเขาดำคล้านั้นพวกเขาจะถูกถามว่าพวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเจ้าได้ศรัทธาแล้วกระ น, นรั้นรพวกเจ้าจงชิมการลงโทษเถิดเนื่องจากการที่พวกเจ้า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 และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นสิทธิของอัลลอ์และอย่างอัลลอ์นั้นกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไปคุณทุม خ ي รอัลมะติอุคริจตลินนัสต็มรูนบิลมะรูตวะเต็เฮนน์นอ น, นิลมนุนค์เดทุวเตมนูนบิลลาห์วะลหลอามนอัฮลุลคิตาบิลกานัชไรละหุม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 ضربت عليهم ا ل ذ ل ت أينما ت ق ف و ا إلا بحبر من الله إلا بحبر من الله وحبر من الناس و ب ا ء و ا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله.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 และใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบและห้ามไม่ให้ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ชอบและต่างรีบเร่งกันในการทำความดีและชนเหล่านี้แหละอยู่ในหมู่คนดีและความดีใดๆที่พวกเขากระทำพวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธในความดีนั้น และลอ้นนั้นทรงทราบบรรดาผู้ที่ยังเกรงดีแถ้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้น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 คําตังลีรน فيها ิรอา ح ر ق و م ظ ل م و ن ف س ه م ف ه ل ك ت و م ا ظ ل م ه م ا ل ل ه و ل ك ن ن ف س ه م ي ظ ل م و ن อุปมาสิ่งที่พวกเขาบริจาคไปในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นดังอุปไหมลมซึ่งมีความเย็นจัด ได้ประสบแก่พืชผลของกลุ่มชนหนึ่งที่อาธรรมแก่ตนเองแล้วได้ทำลายพืชผลนั้นอลัลนั้นมิทรงอาธรรมแก่พวกเขาแต่เพราะว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเอง لا ت س ت خ ذ و ا بطانة من دونكم لا يألونكم خبلا ا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أبو سطحان هملاع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 แน่นอนเราได้แจกแจงบรรดาโคงการไว้ให้แก่พวกเจ้าแล้วหากพวกเจ้าใช้ปัญญาาอออออััันนนนนนนนุุุุมมมมมลลลิิบบบบููููววคคดดกฮ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 โมมาจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงตายอันนึ่งด้วยความเครียดแค้นของพวกเจ้าเถิดแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรับรู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกทั้งหลาย <S <S <S <S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 ถ้าจริงอลนั้นทรงล้อมสิ่งที่พวกเขากระทำและจงรำลึกถึงขณะที่เจ้าจากครอบครัวของพวกเจ้าไปแต่เช้าตรุษโดยที่พวกเจ้าจะได้จัดให้บรรดาผู้ชี่ศรัทธาประจำที่มั่นต่างๆเพื่อการสู้รบ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 และความจริงอลัลลอ์ได้ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าที่สมรภูมิบาดาัดมาแล้วทั้งที่พวกเจ้ามีกำลังร้อยกว่าแต่นั้นพวกเจ้าเพียงยำเกรง อ, อ, อัลลอ์เถิดหวังว่าพวกเจ้าจะขอบคุณ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 ผู้งปรชายายนเท่านนั้เพื่อพระองคจะได้ทรงบันทรส่วนหนึ่งออกจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทาหรือทรงให้พวกเขาได้รับความอภยต์และพวกเขาจะถอยกลับในฐานะผู้ผิดหวัง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 และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชันฟ้าและสิ่งที่อยู่ในพื้นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้นพรองจะทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ที่พรองคทรงประสงค์และทรงลงโทษแก่ผู้ที่พรองค์งประสงค์แล้วรนั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอ ه ยหน่าอเมนแล้วจะกินบบอัลก้าทัมอัลก้า ل ์เหวอลลาฮทุกนโอผู้ัธาทั้งหลายจงอยากกินดอกเบีย้ยหลายเท่ากบทเทวีคูลและพวกเจ้าพึงยำเกรงอลอัละล่อเถิดเพื่อว่าพวกเจ้า จได้รรับความสและพวกเจ้าจงเกรงกลัวไฟนรกที่ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเถิดและพวกเจ้าจงเชื่อฟัง a ลล a h และรอซูลของพระองค์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา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 ชนเหล่านี้แหละการตอบแทนแก่พวกเขาคือการอภัยโทษจากพระผู้วิบาลของพวกเขาและบรรดาสวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ําหลายสายไหลอยู่ใต้สวนสวรรค์เหล่านั้นโดยที่พวกเขาจะพอนักอยู่ในสวนสวรรค์เหล่านั้นตลอดกาลและระงวัลของผู้ที่ทํางานนั้นช่างดีจริงๆแน่นอนได้ผ่านพ้นมาแล้วก่อนพวกเจ้า ซึ่งแนวทางต่างๆดังนั้นพวกเจ้าจึงท่องไปในแผ่นดินแล้วจงดูว่าบรรปลายของผู้ปฏิเสธสถานั้นเป็นอย่างไรนี่คือข้อที่แจกชัดแจ้งสำหรับมนุนและเป็นทางนำที่ถูกต้องและเป็นคำตักเตือน สหรัับผู้ย้ยงงเกทล وا وأ م م และพวกเจ้าจงอย่าท้อแท้และจงอย่าเสียใจและพวกเจ้านั้นคือผู้สูงสงยิ่งหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา uh หากประสบแก่พวกเจ้าซึ่งบ า, แบาแดแผลหนึ่งบาดแผลใดแน่นอนก็ย่อมประสบแก่พวกนั้นซึ่งบาดแผลเยี่ยงเดียวกัน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 قَدَيْ يَنْ مَنْ وما خَنَاةِ جاو موم محمد ٌَ إلا ِ رسول ُ قد َ خلت َ من قبله الرسل ُ ف إ ِ م ا تأو قتله ُِ قلبتم ََُْ على أعقبكم وماي َ ق ل ب ْ على أعقبه فليضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. หาใช่คนใดไม่นอกจากเป็นรอซูลผู้หนึ่งเท่านั้นซึ่งบรรดารอซูลก่อนเขาก็ได้ล่วงลับไปแล้วแล้วหากเขาตายไปหรือเขาถูกฆ่ากวาดพวกเจ้าพ่อหันส้นเท้าของพวกเจ้ากลับกระนั้นดึกและผู้ใดหันส้นเท้าของเขากลับแล้วใสมันก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแกล่ลอตแต่อย่างไดและลอตนั้นจะทรงตอบแทนแก่ผู้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 ลาหนมีนบีกี่มากน้อยแล้วที่กลุ่มชนอันมากมายได้ต่อสู้ร่วมกับเขาและพวกเขาหาได้ทอแท้ไหมต่อสิ่งที่ได้ประสบแก่พวกเขาในหนทางขอรอดและพวกเขาหาได้อ่อนกำลังลง และหาได้ยอมสยบต่อศัตรูไม่และอัลล์นั้นทรงรักผู้ที่อดทนทั้งหลาย และคำพูดของพวกเขาไม่ได้ปรากฏเป็นอื่นใด น, นอกจากพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้ยบานของเราโปรดได้ทรงอาภัยโทษให้แก่พวกเราด้วยเถิดซึ่งบรรดาความผิดของพวกเราและการที่พวกเรากระทำเกินขอบเขตในกิจการของพวกเราและโปรดทรงให้เท้าของพวกเรามั่นคงและโปรดทรงช่วยเหลือพวกเราให้ชนะเหนือกลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยเถิด แล้วเราก็สรงประทานให้แก่พวกเขาซึ่งผลตอบแทนแห่งโลกนี้และผลตอบแทนที่ดีแห่งปรโลกและรนั้นทรงรักผู้ที่กระทำความดีทั้งหลายยาไอ้ฮลทีนาอามะนุ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 แต่ทว่าอัลต่างหาคือผู้ช่วยเหลือพวกเจ้าและพระรงองค์ทรงเป็นผู้ดีเยี่ยมในบรรดาผู้ช่วยเหลือทั้งหลาย เราจะโยนความกลัวเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นเนื่องจากพวกเขาให้มีภาคีแก่ละอซึ่งสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทรงประทานหลักฐานใดๆมายืนยันในสิ่งนั้นและที่อยู่ของพวกเขาคือขุมนรกซึ่งที่อยู่ของบรรดาผู้ที่อาธรรมนั้นช่างเลวร้ายจริงๆ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 ทรงเป็นผู้มีพระคุณแก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ะจงรำลึกถึงขนาะที่พวกเจ้านี้เอาตัวรอดและไม่เหลียวมองคนหนึ่งคนใดทั้ทงๆที่รอซูญกำลังเรียกพวกเจ้าทางเบื้องหลังของพวกเจ้าแล้วระองก็ได้ส่งตอบแทนพวกเจ้าซึ่งความโศกเศร้าอีกอย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 وَطائفةٌ قَد أ َ م َّ ت ْ ه ُ م ْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ أَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ بِأَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَك يقولون لو كان لنا من الأمر ش ي ء ا ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور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 إ ن َ ا ل ّ ذ ي ن َ ت َ و َ ل ّ و ا م ِ ن ك ُ م ْ ي َ و م َ ا ل ت َ ق َ ا ل ج م ع َ ا ن إ ِ ن م َ ا ا س َّ ذ َ ل ه ُ م ُ ا ل ش َّ ي ط ا ن إ ِ ن م َ ا ا س َّ ذ َ ل َ ه ُ م ا ل ش َّ ي ط ا ن ُ ب ب َ ع ض ِ مَا ك َ س َ ب و ا و َ ل َ ق َ د عَفَى اللَّهُ ع َ ن ْ ه ُ م إ ِ ن ا ل ل َّ ه غ َ ف ُ و ر ح َ ل ي م ٌ บรรดาผู้ที่อยู่ในหมู่พวกเจ้าที่หันหลังหนีในวันที่สองกลุ่มเผชิญหน้ากันนั้นถ้าจึงชายตอนตั้งหาที่ทําให้พลาดครั้งไปเนื่องจากบางสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบไว้และแน่นอนอัลลอฮ์นั้นได้ทรงอภัยให้แก่พวกเขาที่จริงอัลละฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงขันติน يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم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 ถ้าหากพวกเจ้าถูกฆ่าในทางของอโลหรือพวกเจ้าตายแล้วแน่นอนการอพยโทษและการเมตตาจากอโลนั้นดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมกันและความจริงถ้าหากพวกเจ้าตายไปหรือถูกฆ่าแน่นอนอย่างอโลเท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำไปชุม فبما رحمة َ من َِ الله ِ لنت لهم ولو َ كنت َ ف َ ض ّ ا غليظ َ القلب َِْ لا فض َ من ِ حولك َ فعف عنهم َُْ واستغف لهم وشاورهم َُِ في الأمر فإذا عزمت ََ ف َ ت َ و ّ ل على الله إن الله َ يحب ّ المتوكّلين. نعّد ب ا ل ه ا ي มุฮัมมัดจึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขาและถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบชา้าและมีใจแข็งกระด้างเหล้วไซแน่นอนพวกเขาย่อมแยกตัวออกไปจากรอบๆเจ้ากระแลดังนั้นจงให้อาภัยแก่พวกเขาเถิดและจงขออภัยให้แก่พวกเขาด้วยและจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลายครั้งเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็จงมอบหมายแดาวลอเถอิด แท้จริงอัลลอะ์ทรงรักผู้ที่มอบหมายทั้งหลายหากว่าเราทรงช่วยเหลือพวกเจ้าก็ไม่มีผูดด้ใดชนะพวกเจ้าได้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 ผู้ที่ปฏิบัติตามความยินยอมของอัลลอ์นั้นจะเหมือนกับผู้ที่ได้นำความเครีโกรธจากล้อกลับไปกระนั้นด้วยและที่อยู่ของเขานั้นก็คือนรกซึ่งเป็นที่กลับอเลวร้ายยิ่งพวกเขาเหล่านั้นมีหลายระดับชั้น لقد من الله على المؤمنين إبدعت فيهم رسول من أنفسهم رسول من أنفسهم يسلو عليهم آياته و ي َ ك ه م ويعلمهم الكتاب والحكمة.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 และเมื่อพระองค์จะได้ทรงทราบดีถึงบรรดาผู้ที่กลับกรอและได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงมากันเถิดจงต่อสู้แนวทางขอร้อะหรือไม่ก็จงปกป้องพวกเขากล่าวว่าหากพวกเรารู้ว่ามีการชู้รบเกิดขึ้นแน่นอนเราก็จะต้องตามพวกเจ้าไปในวันนั้นพวกเขากล้าแก่การปฏิเสธศรัทธายิ่งกว่าพวกเขามีศรัทธาสิ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 บัลอัฮยาอันหินดรับบิิมยูลแล้เจ้าจงยาได้คิดเป็นอันขาดว่าบรรดาผู้ที่ถูกข่าน้ทางของล่อนน้อตายไม่ได้พวกเขายังมีชีวิตกันอยู่หนะ้าพระพุ่ยบานของพวกเขาในสภาพที่ได้รับปัจจัยอย่างที่ริฮีนบิมาอาฮุมัลล้ฮุมินฟรลิ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 และพวกเขาจะไม่เสียใจ chanting, พวกเขาปฏิยินดีต่อสิ่งอำนวยความสุขจากอัลลอ์และความกรุณาถ้าจริงอัลลอ์นั้นจะไม่ทรงทำให้รางวัลของผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นสูญหาย ا ل س أ ج َ ا ب ل ل ه ه ُ ل ل ح َ ن م ِ و َคือบรรดาผู้ที่ตอบรับอัลลอฮและรอสูลหลังจากที่บาดแผลได้ประสบแก่พวกเขาสำหรับบรรดาผู้กระทำดีในหมู่พวกเขาและมีความยำเกรงนั้น ال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فخشواهم ف خ ش ช ا ه م فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم ا ل و ك ي บรรดาที่ผู้คนได้กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงมีผู้คนได้ชุมนุมสำหรับพวกเจ้าแต่นั้นพวกเจ้าจงกลัวพวกเขาเถิด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 ท่านเจมใช้ตอนนั้นเพียงขู่ได้เฉพาะบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามมันเท่านั้นจากนั้นพวกเจ้าจงอย่า ก, กลัวพวกมันและจงกลัวอัลลอฮเถอะหากพวกเจ้าเป็นผู้สตา ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم ليس ض الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في ا ل خ ر ة ولهم عذاب عظيم. لا ت ج ع ل ل َ ن ّ ة َُ ن َْ م ل َ ا ل َّ ح َ ن ْ ع َ ل َ ا ل َّ ا ل ِ ح َِ ن ا ل ص ا َِِ و ََ ن ع َ ل َ ا ل َ ت ِ و م َ ع ل َ ا ج ا ََ ن َْ ع ْ م ا ِِ م ن ْ أ َ ع ْ م َ ا ل ص ََ ت ِ و َ م َ ن َ ع ْ م َ ا ل َِّ ح َ ا ََََِْ ถ้าจริงพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่อัลลอ์ได้แต่อย่างใดเลยอัลลอ์นั้นทรงต้องการที่จะไม่ให้มีส่วนได้ใดๆแก่พวกเขาในกรลูกและสาหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันอยิ่งใหญ่ Inna ladi nashtarul kufra m a n l i yadhu a l l a shayaa lai y h u allaha shayaa walham นั่บรรดาผู้ที่ซื้อการปฏิเสธด้วยการสรัทธานั้นพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายในดแก่อัลเลาะได้แต่อย่างไดเลยและสําหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบวะลายะฮ์ตะบันนัลละดีนกะฟะรูอันมานุมลีละฮุมฆอยรุลลิอันฟุซิฮิม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 และสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอย่างอัปยมระเจ้าทหรัธามิีมาทำนกว่าจะแย ل ความผิดจากความถูก ي ้องและไม่เคยมีพระเจ้าทร ا ให้ผู้ที่ไม่ศรัทธาได้รู้ถึงสิ่งที่พวกเขาท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 และใช่ว่าอาลัลลอ์จะส่งให้พวกเจ้ามองเห็นสิ่งที่เร้นลับ ก, ก็หาไม่แต่เพาะว่าอาลัลลอ์นั้นจะส่งคัดเลือกผู้ที่พปรง่งทรงประสงค์จากบรรดาหอดสูญของพรง่งดังนั้นพวกเจ้าจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดาหอดสูญของโพรง่งเถิดและหากพวกเจ้าศรัทธาและยำเกรงแล้วสำหรับพวกเจ้าคือรางวัล وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَدْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ قَضْنِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا د َ خ ِ ل ُ و ا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 และอัลลอฮนั้นทรงเป็นผู้รอบรู้อย่างดีต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำแล้วได้กล่าวของผู้ที่กล่าวว่า“อินนัลลอฮฟรและน้อัมีาะสวกาูดะเรดนะโดม่ไดั้งใจและเรได้ห้พวกเขาต้อด้บกาอย่าแรแน่นอนยิ่ง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 นั่นก็เพราะสิ่งที่มือของพวกเจ้าได้ประกอบไว้ก่อนและแท้จริงอัลลอ์นั้นไม่ใช่เป็นผู้อาธรรมแก่พวงบ่าวทั้งหลาย ا ل ذ ي ن َ ق ا ل و ا إ ِ ن اللَّهَ عَهِدَ إ ل ي ن َ ا أَلَّا ن ُ ؤ م ِ ن َ لِرَسُولٍ حَتَّى ي َ أ ت ي ن َ ا ب ِ ق ُ ر ب ا ن ت َ أ ك ُ ل ه ا ل ن َّ ا ر قُلْ ق َ د ج َ ا ء ك ُ م ْ ر ُ س ُ ل م ِ ن ق َ ض ِ ي ل ِ ب ا ل ب َ ي ن ا ت ِ وَبِالَّذِي ق ل ْ ت ُ م บรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอรนั้นได้ทรงสั่งเสียแก่พวกเราว่าเราจะต้องไม่ศรัทธาต่อรูลท่านใดจนกว่าเขาจะนำมาแกเราซึ่งสิ่งพรีแด่อล์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะมีไฟกินมันจงกล่าวเออถิดอวมมัดแท้จริงได้มีบรรดารอูลก่อนจากฉัน ได้นำบรรดาหลักฐานนั้นชัดเจนมาอย่างพวกเจ้าแล้วแล้วก็ได้นำสิ่งที่พวกเจ้าได้กล่าวไว้ด้วยแล้วเพราะเหตุใดเล่าพวกเจ้าจึงได้ฆ่าพวกเขาหากพวกเจ้าพูดจริงแล้วถ้าหากพวกเจ้าปฏิเสธ แท้จริงนั้นบรรดารอสูลก่อนหน้าเจ้าก็ได้ถูกปฏิเสธมาแล้วซึ่งเขาเหล่านั้นได้นําบรรดาหลักฐานั่นชัดเจนบรรดาคำภีรจับบูรและคำภีรที่ให้แสงสว่ามาด้วยกุณสินด้าอิกะทุลมวุว่าอินนมาทุวศูวนอุจูรคุมเย้มลุกยามะ ทะเลชีวิตนั้นจะล่มรอดให้ความตายและแท้จริงพวกเจ้าจะรับรางวัลของพวกเจ้าโดยครบถ้วนนั่นก็คือในวันปรอโลกและผู้ใดที่ถูกห่างไกลาจ า, ากไฟนรกและถูกให้เข้าสวรรค์แล้วไซ แน่นอนเขาก็ชนะแล้วและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้นั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากสิ่งอำนวยประโยชน์ที่หลอกลวงานแล้วตบเล่นที่อ مو ลทุมและหุษทุมวะสัมัสจากนั้นแล้วทีนอุทุลคิทับบัมกับรุุ่มว่มีนั้นแล้วนั่งเชือวด้วยคทีรา م م แน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะถูกทดสอบในทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและตัวของพวกเจ้าและเน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะได้ยินบรรดาผู้ที่รับคำาพีก่อนหน้าพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ให้มีพาขีขึ้นแกวบซึ่งก่อความเดือดร้อนมากมาย และหากพวกเจ้าอดทนและยังเกรงต่อรอแล้วแท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจาการที่เด็ดเดี่ยว。 และจงล้ำลึกถึงขนาที่อัลลอทรงเอาคำมั่นสัญญาจากบรรดาผู้ที่ได้รับคำพีว่าแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะต้องแจกแจงคำพีนั้นให้แจมแจ้งแก่ผู้คนทั้งหลายและพวกเจ้าจะต้องไม่ปิดบังแล้วพวกเขาก็เหวี่ยงมันทิ้งไว้เบื้องหลังของพวกเขาและได้แลกเปลี่ยนมันกับราคาเล็กน้อยสิ่งที่พวกเขาแลกเปลี่ยนมานั้นช่างเลวร้ายสิ้นดี لا ت ح อ ب ن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا ت ح ล ب ن ه م ب م ف ب ب ا งนั้นลาจะอัพสับหน ب ที่นี่จะฝรั่งนั้าอง้าจะสนงอัยดูนไดานันอัน่ะาวดว่า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 <ير> และอำนาจห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอินนี خ ق ا و خ ل, ل و ل ا ت والأرض واختلاف الليل ัน الل ل ن ه ا ر الآيات اللي للألباب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 ราบ์นามาได้ خلق เดาบา ط เลน سبحان คะฟะกเราอัลลนฮ์คือบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งในสภาพยืนและนั่งและในสภาพที่นอนตะแคงโดยที่พวกเขาพินิษพิจารณากันในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเรา พระองค์ท่านไม่ได้ทรงสร้า ง, งสิ่งนี้มาโดยปราประโยชน์พระองค์ท่านทรงมหาบุสุษโปรดทรงคุม้มครองพวกเราให้พ้นจากการถูกลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถนนิ ด, ถด ال อโอ้พระผู้บริบาลของพวกเราแท้จริง ผู้ใดที่พระองค์ท่านทรงให้เข้าไฟนรกแน่นอนพระองค์ก็ยังความอัปยศแก่เขาแล้วและสำหรับบรรดาผู้อธรรมนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นรับบนาอินนาสำญนามุนาดีอินาดี سمعنا مناديي نادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا ف أ َบบ ف ِ ر لنا ذنوبنا و ك َ س ف ر ع َ ن ا س ي آ َ أ َ ت ن ا وَتَوَفَّنَا م ع ا ل ْ أ َ ب ر ا ر ِโอพระผู้มีมารของเราแทจา้จริงพวกเราได้ยินผู้ประกาศเชิญชวนผู้หนึ่ง กำลังประกาศเชิญชวนให้มีการศรัทธาว่าท่านทั้งหลายจงศรัทธาต่อพระผู้วิบาลของพวกเจ้าเถิดแล้วพวกเราก็ศรัทธากันโอ้พระวิบาลของเราโปรดอภัยให้แก่พวกเราด้วยซึ่งบรรดาความผิดของพวกเราและโปรดลบล้างให้พ้นจากพวกเราซึ่งบรรดาความผิดของพวกเรา และโปรดให้พวกเราสิ้นชีวิตโดยร่วมอยู่กับบรรดาคนดีด้วยเถิบบ ด, โ, ดโอ้พระผู้บาลของพวกเราขอได้โปรดประทานแก่พวกเราสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้แก่พวกเรา โดยผ่านบรรดารอศูนของพระองค์และโปรดเดได้ยังความอัปยศแก่พวกเราในวันปรอะโลกเลยแท้จริงพระองค์ท่านนั้นไม่ทรงผิดสัญญาแต่จะบก้บลุมรับบุมอันนีลาอูดิยุ่ลอานงลินมิคุมมินเดกคริเออุนธาบางคุมมินบา فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في س ب ي ل وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ل أ ك ف ر عنهم سيئاتهم لأكفّر عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات แล้วพระพิบาลของพวกเขาก็ตอบรับพวกเขาว่าแท้จริงข้าจะไม่สูญเสียซึ่งผลงานของผู้ที่ทำงานคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้า ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามโดยที่บางส่วนของพวกเจ้านั้นมาจากอีกบางส่วนบรรดาผู้ที่อพยพและที่ถูกขับไล่ให้ออกจากหมู่บ้านของพวกเขาและได้รับความเดือดร้อนในทางของข้าและได้ต่อสู้และถูกฆ่าตายนั้นแน่นอนข้าจะลบล้างบรรดาความผิดของเขาให้พ้นไปจากพวกเขาและแน่นอน ข้าจใจพวกเขาเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างของสวนสวรรค์เหล่านั้นทั้งนี้เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนจากลอร์และลอร์นั้นมีการตอบแทนอย่างดียิ่งณที่ปรุง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 มันจึงเป็นที่พักผ่อนอันเลวร้ายจริงๆ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 ดียิ่งสำหรับคนดีทั้งหลาย และแท้จริงในหมู่ชาวคอมพีน์นั้นผู้มีศรัทธาต่อระอยและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเขาในฐานะผู้นอบน้อมต่อระอโดยที่พวกเขาจะไม่เปลี่ยนองค์การขอร้อยกับราคาเพียงเล็กน้อยชน่วนล่าวนี้แหละพวกเขาจะรับผลตอบแทนของพวกเขานะ ข้าผู้อิบานของพวกเขาถ้าจริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระ ก, การสอบสน وا, วนอุบัติภู้ศรัทธาทั้งหลายจงอดทนและจงอดทนซึ่งกันและกันเถอ และจงประจำอยู่ชายแดนและพึงยำเกรงอัลลอเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ